ไปไม่ววนเพื่อป้องกันภัยพานเขามากล้ำกลายสิ่งมัวเมาแฟงตัวอยู่ในเงาเฝ้าคอยทำลายก่ออันตรายทำร้ายลูกหลานของเราฉันไม่กลัวไม่เกรงใครจะคมแหงหรือ จะได้ไม่ ป้องกันภัยให้เธอได้อุ่นใจปลอดภัยม่ลืมตาเราสยบภัรีมุ่งไม้มันี่ทักรักษาให้เธอปลอดภัยจากสิ่งหัวมามากมายไม่เคยกลัวอันตรชีวิตฉันพร้อมยอมลี่ให้ประชาช p r o t e c me r o m o g